หลวงพ่อถามลูกชายจานันพ่ออสมัยเป็นเด็กอายุสิบสี่ปีมัง้งสมัยนั้นพ่อมาฝากไว้ในวัดมาให้พักอยู่ที่ศาลาของฉันเก่านะวันหนึ่งมีคนตายมใครตายว่าขาวนะั้นมาเผาเนะ่ยเผาที่ป่าชา้ามุมวัดนะ่ะพวกกูบาก็คงจะท้ากันมนะั้งใครจะไปกล้าไปนอนวะ ไปนอนศาลาป่าชาวกันเนี่ยเนีนบวชใหม่วันนะั้นมาผมไปนอนได้โอ้ยไม่เชื่อจะไปนอนได้เดี๋ยวมันกลัวผีบ้าได้อยูนะ่เลยเนี่ยไปนอนนะไปนอนอยู่ผีประชาดเนะี่ยศาลาพักศพนะ่ะทั้งนั้นพอไปนอนไฟมังหอยแดงจึงครึ่งอยู่แล้วเราไปมาในหลงพ่อก็เลยลงมาตอนแรงเอา้าเน้นไปใช้แล้ววะ ประมาณชักสามทุ่มเนี่ยลงพอลงมาเน้นไปใช่เนะ้นไะปนะันพ well ี่พระสาวเนียมันไผบอกให้ไปแล้ววะป้าที่แรกก็บอกแล้วก็บอกว่ามันไผสิไปกล้านอนพี่พระสาวไว้เหมือนเดียวสิค่นตายยังสิวะสิเนี่ยเน่นว่าผมไปได้เหรอสิเนี่ไปแม่ไปไปถามเลยไปบมแมนมันดวนรู้ป่อยู่ห่วยล่างไปแห้งหรอบอกปานี่ยวะบอมแมนมันยานผีไปแห้งเลย ย่ามเก่งมันเก่งเน่ยเด้วะข่ายย่ามันบบเก่งมันมีเด้กวะย่ามันยานพื่อแลนจากพีพะซาแล้วจะโดดตกหัว่างตายได้นาดวะมไถไปหาท่ากันพวกนี่ไปพระไปเบิงวะหลวงพ่อเบอกให้พระสองสามอค์ันละไปไปเบิงไปเบิงนยนันโกนสอดสอดเชยโยนวนละไปเน้นเน้นน่อยสิน้นน่อเนนเออนอนอยู่หันนะไปโอ้ เอาไปมาผีกระยานค้อ น, น, อ น, อ น, น, อนน้อนกันนอนไปขันข้อนนอนรับเลยผีกระบอกากาคือนกันนอนลงไปนี่แหละเนี่ย น, น้อยลูกอาจารย์นอนไป <S <S 1> <S 1> สมัยก่อนเขาญาวนท่นก็บ้าเขาญาญมากอยู่กับพ่อกับแม่ญานร้ายท่านเลมาอยู่นี่ก็ย่าง ญ, ญาญอยู่ที่ชล่าหอสันเกวนี่ยัง่งาย่ลพ่อมากบวชไปเนี่ยคูบาก็ทิมแทนมั้งจังใดก็บวหูวะ้า พอมาเล่าเรื่องนี่ก็เบว่าถึงเรื่องหลวงปู่จามหลวงปู่จามปั๊บหลวงปู่ฉิมลงไปหลวงปู่ฉิมเป็นเน่นยัยอายุประมาณสิบแปดปีนะหลวงปู่ฉิมลงไปหลวงปู่จามเนี่ยประมาณสิบสี่ปีอ่านี่ไปอยู่ขอนแกนอยู่ขอนแกนกับหลวงปู่สิงกันตยาขโมลงไปวัดโขกเราง่า เอาไปมากตรงปูสิงปัญญาอ่าบานเนี่ก็เลยสิมหาหาหลวงปู่อ่อนกับหลวงปู่กงมา้าหลวงปู่อ่อนหลวงปู่กงมา้าหลวงปู่ฝันอยูุยโสท่อนคนไปกุบบาจาย์กลุ่มนึง่งจะเปียวนะไปก็เลยเดินทางมาพ่อเดินเดิ น, เ ด, นเดินมากโอ้เดินมานัาน่นหลายมายื่นจากขอนแกน่นตัวสิมหาอดยโสท่อนสมัยนั้นเป็นอำเภออยู่เลยยโสธรเป็นอำเภอวันไป สมัยกูลงปูจามเป็นเน้นหมดไปพอมออ่อหอดมาในเชติหานอ่นมองได้ว่าวัดกระบงจกักนะไปนันาาน่นผีภาษาดไว้ท่านเลยก็เลยไป น, นัน่นผีภาษาเขาภาษาอำเภอยะโสท่อนไปสมัยก่อนเม่ท่านมีเม็ด เ, เนียเป็นสาลาเผาก็ฟื้นขึ้นมาแล้วก็เผาศพธรรมดาเลยนะมันมีสาลาสาราหลังหนึ่งเพียงสั ก, สกเม็ดนึงน่อไปสูงจากพื้นดินเขายกพืนก้นขึ้นมา แล้วก็สลากกับพ่อใหญ่ลราสําหรับให้พระนางสวดมาติกาพ่อมะฮอดเออชาวบ้านเขาก็กลับแล้วนะว่ามันเป็นบ้านใหญ่เมืองใหญ่นะมันก็เผาเกือบจะบกขาดแต่ละมือนออกไปอะไรเขาก็เผาศพแล้วก็เขาก็กลับเมื่อแล้วแตพ่อที่มะฮอดตอนบ่ายสามสี่โมงแรกเนี่ยพ่อมากกันแล้วอ๋อขึ้นไปพักในห้าวอาจารย์ลงปูฉิมกับลงปูจามวันไปเป็นเน่นน้ำกัน เนี่ย18กับเนี่ย14วันไปอะไรลงปูจามก็เอาซาลาศนึงวนลไปลุงปูชิมก็เอาสล า, าอีกศนงึงคนละนกันวนไปสมัยนะั้นมีกดเ่ยเด้งมัทานต้องมีกดมุ่งกับมุ่งหนานาะใ่ไสมัยนะมันหามุ่งดุงบางวาอไรเเลยมากกมีดทั้ผาได้ของเข้าทีเข้าเห็ด เ, เองวันไปว่า ไ, ได้เตรียมสถานที่กันยังพพราะตางมุงนะวะไปก็เลยห้องจิฮา หมอใช้มาต้มน้ำกินเน้ว่าหิวน้ำไปหลวงปู่จางทำไมนั่นบริหารต้องครบเลยมีทั้งมีดพร้อมเด้มีดปอกเนี่ยไปมีดหน่อยหน่อยเนี่บเมนมีดหน่อยแล้วว่ามีดทำถางปลาเนี่ยนะมีดขนาดคือกว่ก่านี้มีดหน่อยอยไปก็ไปหันเอาไม้ไผ่ไม้ไผ่บ้านที่เขาหามผีเนี่ยไปหามศพนั่นนะมันก็ทอขาเนี่ยไปตัดเอาสองข้อ พอตัดสองขอแล้วมาทะลวงมาทะลวงให้มันเป็นป้องเดียวกันนอนไปจานนั้นก็หาน้ามแถบน่นมันมีน้มอยู่แล้วน้มบอ่อตักมาได้ก็เอากาหนามแล้วลงไปตักขึ้นมาแล้วก็มากรองเทใสกระบอกไม้ไผ่พนก็เป็นหมอเนยเป็นเน่ออยู่ในป้าเนอะกูบาอาจารย์แนะนำมาไม่เหินกว้างบอกไม่นา่งหวานบอกเ่ยแถบแถบนั่นนอนไปอยู่ในผีป่ามันมีเลยไมน้าแทงเหือ มากกับากบาดมากกับมย่างไฟปงเผาผีลงไปไฟแดงจริงคือ น, นะพ่อย่างใช่แล้วก็เอาเขาในก็บอกไม้ไผ่เลยเอาไม้ไผ่เลยเเอาไปตั้งในกล่องไฟเผาผีลงไปเออไปต้มมันลงไปเอาไม้ไผ่ไต้มน้าพวกเข้าบูกเคยหูผูกเคยเห็นบูจักพ่อฮ้อนก็ไปบานนึงมันไฟสีไหม่เขาไปในทางในก็ไหม่เพราะะไรมันมีน้ำลงไปอมันน้ำกันบ่ห้มันไฟเขาทอดวันไป มันก็ไฟกับมิถุนัยผิวนอกเนะ้่ยก็บน้ำกัเดือดพกพกพกพ ก, ก, ก, ก, ก, กต้มกันลงไปพอต้มเอามากกับมะเทมา ก, กับปมพากันดื่มสองเน้นกัไปพอดื่มเสร็จแล้วเนี่ยโอ้ยังหิวน้ำต้ม อ, อีกต้มสอ ง, ส, องสามกระ บ, บอกสองเน้นไปพอต้อมเสร็จแล้วนะก็คําแล้วบัตรไปพอคําก็ขึ้นไปก็ไหวพระไผ่ไหวพักมันน่นกันไปเพราะครูบาอาจารย์สอนให้ไหวพระก่อนนอนเด้ พ่อวายพระเสช่นไรกันนางพวนาไผมั่นอยู่ในมงบัดเอาไปพ่อนางพวนาในมงบาดเลยประมาณสักสองสามทุ่มเลยหลวงปู่ชิมก็นอนแล้วนะรับแล้วภายในหลวงปู่จามปวดเหี้ยวบาดเลยเนี่ยว่ามันกินน้ำมถึงสามก็บอกเลยปวดเหี้ยวเนี่ยต้ตายให้จังเนาะที่ลงไปเหี้ยวอะไรท่านาตผีเอาเราไปเออมันบืดมันโบมีไฟสายด้สมัยเนี่ยไฟสายก็บโมีไฟจอดนีกับโบมี่มันสมัยนั้นเราไป นี่ถอว่าเปไฟก็เป็นไฟแบบนั่นแหละหินปกเล็กอ่าได็กๆปวดเงีย้ยไวท่านนี่ปวดเนี้ยโบ ก, กกล่าวเอาไปว่าปวดเขาปวดเขา่ขาขานนี้ไม่จึงในบานนี่พอเปิดปุ่งเบิ่งนี่แต่ไฟแดงจืดคืนลงไปมันก็คืดแล้วเป็นบวโอ้ผีมันคือที่มา่านังอมซับราบอยู่มวันนี้แถวหนีมัง่งว่าท่านนี่ปีดหมูกไวเอ็กคนเข้าไปเข้าไปอีกนั้น มันแคงปวดขึ้นเนี่ยมันปวดเยี้ยวเป็นบมล่ะเออเอาไปมานเธอที่สองอีกเปิดขึ้นมาอีกบานนี้เปิดขึ้นมาแบบบกล้าลงเลยไปผีมันคือสิมานางสาบลาบอยู่แถวหนึ่งมันผีมันเผาป่าซานี่ยเผามาตั้งนมน้านปลาเหนียวทันมันที่มากข้อยเบังกันอยู่นีมาทันกูไปนีเมื่ก็้ิเห็นที่ไหนมื่อกีบอกแลบลินปีนตาสิกูวะเนี่กูเออขึ้นไปทัวทั้งคนหยาดเป็นบมดละ เอาไปว่าเปรตอิดบาดฮาเธอที่สามบันิมออกอีดี่ได้บาดเลยเนีมันปวดแหงอีเลื่อนไปโดดแลนขาดลาดออกไปมันบดเปิดมุ่งยากพดรถกันโดต่ำลงพุ่นแล้วอไปเกินไปโอ้เงี้ยวมันเกือบเงี้ยวสีบวออกปอนี้มันปวดแห้งหลายออกไปพ่อนางยานใช่ผีสีมากกามาเราไปบาดในว่นเราไปมันย่านมัดทีบเลยเดียวยานมัดแนวยานทั้งหลายไปว่าโฮมยู่หานมัดตัวไปความยาน เออหมบอยู่ข้าวนั้นหมดลงไปบาหานนางเงียวอยู่บานนี่พอนางเงียวก็นางคึดเอะมันกระบเห็นอียงนะสันเลยข้ามันมามันก็มาต้องผีมันกรเผาไปแหลมันกระจมาอย่างสนวิ่นยานคือ้ใจของเฮ้าเนี่เออมันก็นขึนน้นนั้งคึดไปหมดออกไปกูน้ำมันยนเนี่ยสันญาณของขึดเจออเเด้าขอเนี่ยสันเนี่กันกูบอกึดย่านมันก็ บ, บย่านอั น, นกูขึดย่านมันจะค่อย ฟอนางเงียวเรียบร้อยแล้ว เ, วเนี่ยเขาก็เล็งยางไปหากล่องฟอนลงไปพอหากล่องฟอนก็เลยเคลียเห็นใหม่ที่ส่วนไหมที่เขาที่มันตกลนออกไปเนี่ยพวกสมัยก่อนมันใหม่ไมมส่วนฟืนเนี่ยไหมดิบไหมแห้งเขาผสมผสานกันก็เลยเคลียเคลียเกี่วกับกองไฟแล้วก็ยางออมว่าใจเที่ยงไรเต๋ อ, น อ, อวนลงไปเศร้ายากเบิ่งพญานาเบิ่งเหล้วเห็นตกะกั่ว กับเบิ่งกูก็ติตายคือกันกับเขาจักเบื้กูสิปิยานอย่างเลยเบื้องเจ้าของนะเบืงกองฟ้อนคนผีตายแล่วนะเเบิองอ้อมรอบทางแล้วนะพ่อยางอ้อมแล้วกะว่าเศร้าย่านก็เลยกลับขึ้นกุฏิในขึ้นชาลาเนอะชลาัาากศก็เลยหมดขหมงเลยไหวพระแลวก็นั่งพ่วนาตอสักพักหนึ่งก็เลยนอนตั้งแต่มื่นนันเม่าสั่นบนว่าสิปิยุในใส่สั่นปลาดงพงไผ่ใสยุผีประาได บอเคยยานบาดงี้ว่าท่นนี้เพราะมันยานข้าวนั้นยานสุดขีดตัวท่านนี่เอตพัฒเกิดมากกับข้าวนั่นละยานย่านที่สุดตัวท่านนวาค้นห้ามันมีที่สุดเดียว่านหลวงปู่จามว่ามันมีที่สุดทานมันยาสุดขีดแล้วมันก้าบาดนี้ว่า่นนี่แหะข้าวนั่นละพ่นวาห้าวย่นห้าวยานยานคักๆว่า่พนวาจนเปิดมู้สองสามเถื่อยังคอยจะกระโดดออกเลยว่า่น่ไป มันมันเหนียวสิแตกเพราะอะไรนี่แหละเนี่ยกรรมฐานเนี่ปนแปลกแปลกเลยเนี่ยคูบาจานแต่ละองค์ปแปลกแปลกวางองค์กับกัวเสือก็มิ่งกัวสร้างก็มิ่งัวผีก็มิ่งยังหลวงพ่อหนึ่งเจะว่ากัวยังวันหรือว่ากลัวผีก็แมนมันอไปสมัยนั้นมันก็บก่กมี่สร้างมิ่เสือวันไปไปพักที่นี่ทำพักยี่นี่ทำพัก มือสองมือแหละทำมันก็เป็นตะยานอยู่เด้แถวทำย่ำย่าวไปแล้วมันมีพระพุทธรูปเก่าแก่ดึกตําบรรอบางที่ก็มีพรพุทธรูปใหม่หมดไปปวดกลิ่นมัดตั้งแต่ข้อบางที่ก็ยั่งแต่หนาบางที่ก็ยั่งถึงแต่แขนหลายหมดไปแล้วก็มีบาดไงอีกบาดไงของเขาเนี่ยคุณอุม้มหมดเเห็นตะขอปากมัดหดไปคนมันเลยแปลว่าสนิมกิ่นมัดแล้ว ไปเบิ่งข้ากับย่างเลาะตามลาพังผู้เดียวลงไปมันก็เป็นแต่ญาตเ น, นี่ยเป็นแต่มีงูอีกต่างหากค น, นไปมันเป็นถ้ามันเลื้อคักถ้ามันวอร์นันคนไปมันเป็นแต่ญานติคนไปย่างเลาะเลาะเบิง่ยงยังหมเวนถึงจะญา น, นิานแล้มันกิดยังมีเหนื่อยมองลบมองดีเบิ่งสังเกตไปเรื่อยคนไปแต่ก็ไปเห็นแถวเนี่ยมันเป็นวัดว่าเก่าแก่โบราณตัวนี่วะสงสัยสมัยก่อนเขาก็จะมาอยู่แถบนี่แหละพระ มันยังมีบริขารยังมีบาดห้างขนาดนี้มันยังมีพระพุทธรูปจึงสี่พระมันก็ต้องอยู่แถบนี่หละมันเป็นบ้านเก่าแก่โบราณมันบริขิแต่วนันพระธนเนปันเนี้ยมันคึ้ถึงผีพรหมเบปันเลยเออผีก็คหงจะมีอยู่แถวนีขคือกันแล้วพนวเวเดบานเนี้ยพวกผีสางนา่งไม่ขนาดอยู่ขนาดนี้แหละมันต้องมีแหละคนเป็นผีเฝ้าอยู่แถวมนีพลวเวเด คดยานโยนห้ตะไปคนเนี่ยลกสู้เป็นบางเถืนะ่อนนะยมูเวทมันเงียบเด้มันมีมีไผ่ไมโยในกลางพูคนนะ่ะยางมันมีต่ปลาไผกับปล า, าดงลไปมีทำเน่าเหยียดทุนไปทามล ค, คึกคักมัม่ทาแบบเน่าเหยียดแบบเตียนเด้แม่กีหินมนลุคคึกคักเป็นตะมีหงูเหลือมบบเป็นตหงูจงอางนนะเงี้นะคอยคอยยางย า, งยางปีนปีนปึงปึง่งยางละเ ล, ะ ล, ะละไปเบิ่งมันไปแต่นใจกัน ขดลูกเป็นบางเทือือกิดนิยานมันไปบายอะไรเนี่ยมะแลงกลับมากไปเพราะับมากก็เลยมาสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยมะแลงเพราะเดินยงกรมเลวก็สวดมนต์ก่อนเลยเดินยงกรมเ่ยถือว่าเป็นนั่นอ่ะต้องเดินยังกบก่อนมันไปไปยู่ตามเําพังโอ้เข้มงวดกวดขันเนียย่างไปอยู่ผู้เดียวท่นจะไปปล่อยป่าละเล่ยปล่อยจิตปล่อยใจบ่ได้อยู่มันไปต้องเข้มงวดขวดขันกับเจ้าของยามซุดซุดวนมันไปเดินยังกรมก็นั่น นางพ่อวนาเรื่องศินเนี่ยแปลว่าให้อยู่ในกรอบพาดเพอพังบ่ดใดหรอเรื่องศินนี่ยสินนี่เป็นเรื่องเกาะกําบังของตัวเองนลยสินเป็นที่พึ่งของเราไปสินสมาธิปัญญาเราจะละเมิดเทว่วงละเมิดสินนี่บ่อใดล่ะถ้าว่าสินดางสินปล่อยสินขาดสินทะลุจะเป็นขอได้ก็ตามบ่อใดต้องเข้มงวดกดขันไปอยู่คนเดียวเรื่องศินเรื่องจิตคือกัน ใจกับบ๊วยให้คิดออกนอกลูนอกข้างให้กันคิดแต่พุทธโธอย่างเดียวเอาไปคิดแต่คุณงามความดีพุทธไธวายพระสวดมนต์เดินยังกกมเสดเรียบร้อยก็ขึ้นมาวายพระแล้วไปพอขึ้นวายพระเสดเรียบร้อยตอนวายพระนี่แหละจุดหนึ่งเอาไปทั้งที่เขาก็ขึ้นเพิ่งเห็นยมวเวินเข้าไปย่างเลาะมองหันมองนี้แล้วอาไปมาเลยเข้ามาไหวายพรนะตามไม่จริงยมวเว้นเขากับยานผีอยู่แล้ว ว่าฮะนี่ก็เลยมื่อไหวภาคก็เลยสวดพุทธมนต์ลงไปสวดโจโจโจไปใจนีมันคือกึกขึ้นเม้าเนี่ยไปมันคือกึกขึ้นมาว่าไอ้สวดวิปัสสิทธิ์เนี่มันก็สวดไล่ผีได้มาสวดไล่ผีสวดวิปัสสิทธิ์เนี่ยเข้าสี่สวดจุบนาอ่ะนะสวดเนี่เอาเลยสวดวนไปคาว่าสวดมันก็แน่ใจก็ว่ามีอย่างเดืคือพุทธประลิศก็แล้วแล้วไปก็เป็นเท้าบุญยานนะ การเทาบยญานถ้ามัสวดแล้วมันก็นแล้วไปคือพุทธปริฏตมงคลเป็นมงคลทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้พระพุทเจ้สวดดูถูกเหยียดยามลังแกไลาผีลาสางอย่างดอกคนไปมีแต่ว่าผูา้ใดอยู่จังไรกิยาเปลี่ยนเบีย น, ยนซึ่งกันและกันเด้อถึงจะเป็นอมนุษย์อยู่พบภุมิใดก็ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างเขารบชิดซึ่งกันและกันการลักษณะจังสันแหะก็ให้มีเมตตาต่อกันลักษณะจังสันนตาตน ะ, น แ, ะแต่ว่า คนห้อนเระว่าคาถาลายผีห่นอไปผียาญห่อนเอาไปนก็คสวดพอสวดเสร็จแล้วก็สวดบดอื่นต่อไปบ้านเราก็นั่งพ่อว่าน่าเลยนั่งพ่อวน่าสามสีถทุ่มหาทุ่มแล้วก็นอนเลยพ่อนอนใกล้สิรพ่อเคิมเขิมโดยมากมันจะขนาดนี้นอนที่อ่ำเนินอไปพ่อเคิมเิมเลี่พอเขิมเขิมเนีค่คล้ายๆว่ามือบกง่ายนอนาไปมัค้ำบีปองคอใจห่อ ใ, หใจเก็บตัว พ่อบีบมาเดือเข้ากันละเมอละพุทโธพุทโธต่ออะเออพ่อจะตุ่มเตือนขึ้นมาป่ะเนี่ยโอ้ใครข่าวมันมันจะเห็นหนาเห็นหนวดว่าเป็นลักษณะจังสันจังสีมันก็บอแม่นอนไปแต่มันดำคึ้นเมื่อฝนไปมันมาบีบหัวใจเรา่งไปเข้ากับลึกถึงพุทโธพุทธโธขึ้นมาเลยลงไปเอ่อพุทโธธรรมโอที่เท่าพาวัน่าลงไปบาดอะไรมันก็เลยออกมันก็หาย ก็ตื่นคือมาเนอหัวหัวใจเนี่ยมันบวมเมนตีกลองธรรมดาเนะยมันรั่วนเร็วนัะไปนั้นเ ร, ร็วนะไปหัวใจมันทีเศร้าเต้นออกเนาะไปหัวใจที่ยุดเต้นวั น, นมันมันรั่วเนเร็วนะไปเออจังมีหนาถามเจ้าของอยังไงมึงมึงญาติบอกคนว่ายังบายหมถามเจ้าของมันทีไปถามใคร ย, ยุ่งสัน่นไปบมดอะ ถามมึงญาติบอกว่ไ้กรญาติเนี่เตอบไปเจ้าของกันอไปถามมึงญาตญาตนี like ่แหละอามันตอบเจ้าของขึ well ้นมาเลยตอบจักเหวยไว้หมมึงญาติไงวะาจยว่าไ้ก็ญาตผีดวอามันว่าคานว่าญาตผีผีมาเลยเฮ็ดลยเฮ็ดจากไหนอาจารย์กระญามันมาข่าคันข้อแล้วาานี่ันข้อเฮ็ดอย่างเดีตายวาแล้วเฮ็ดจางไหนสีโตายาจารยบ้น ขั้นผีบวกขั้นข้อได้ตายบ่ตายขึ้นกันผีขั้นข้อก็ตายผีบวกขั้นข้อก็ตายสั่นหอดมืออยู่ไสก็ตายสั่นเนี่ยขั้นหอดอยู่ไสหอดมือก็ตายไ่ใช่พายาให้งอให้ยั้งเลยแบว่าสั่นผีมาเด้อสั่นมาคั้นข้อกุรดเออมาให้หอวมันกล้าขึ้นมาได้บาทเนี่ยมันกล้าขึ้นเมาลงไปขั้นผีบวกขั้นข้อก็ตายผีขั้นข้อก็ตายยูไสมันก็ตาย ขอสําคัญก่อนตายให้มีคุณงามความดีเท่านั้นแหละท่านให้มีท่านมีศีลมีภาวนาในเจ้าของเท่านั้นจิไปหาญานมันยังตายท่นถึงผีบกขามกติตายขึ้นเก่าอยู่ท่นโอ้ดูเสียวจิตใจอาถรรพ์ขืนมาเดียวนั่นเลยตั้งแต่นั่นมาหลวงพอมีแนวความคิดเอความญาติหรือเสียวห้อยหายเป็นกระตักขึ้นกันนี่แหละเอาชนะเจ้าของได้เนี่ยมันต้องใช้ปัญญาเ้ย บมเมนตยน่านได้แหงเอาผาข้อมหัวขาตะพุตตะพื้นเลยเ้ยมันหา ย, ยานเด้ข้าวญ า, านิเรต้องคิดมึงยานอย่างถามเจ้าของใครยานผีตายเลยผีใสอยู่สิอกันญาวายานซัตอ่ายานผีประสาทท่นมายานผีประสามันขึ้นเบื้องใหดีค่ะค่ะรู้สนเข้าต้องคิดดูใหดีรสันมึงต้องคิดดูใหดีรู้สันสอนเจ้าของเ เมื่อต้องมองผู้อื่นนะมึงกูหล่นลงไปกับจบของมันไปมึงต้องคิดบางให้ดีด้ะในทองมึงเนี่ยมันงัวมันควายสักตัวหละตั้งแต่มึงเกิดมาเนี่ยสัตวเขาเอามาฝังในทองเน่ยสันว่าจักหมูมากกาไก่เาฝังอยู่ในทองนกัญญานกับญานทองจบของที่ญาณปลาสาบนะคิดบังคาขารมันแมนบอกทำใหมันจิมมีผีมันก็จิมี่ผีในทองฮ้องต้องมาจสิตกันตุ่มต่ตุมต่ำอยู่ในทองเานตอ เมื่อสัต์ทั้งหลายปูปลาเขียดกบทั้งหลายนอยู่ในทองเข้าเนี่ยทองไหเนี่ยข้าวายานกระดูกกระดูกทัางนอนกระดูกเจ้าของมีบุลณะอย่างไรแตงแตงหัวหอดตีนน่ะมันมีกระดูกในร่างกายเข้าเนี่ยมันก็มีกระดูกด้วกันจะไปหายาดเนี่ยเขานอนเฝ้ากระดูกอยู่มัดมือทัดขึ้นกระดูกของเขานี่ะนี่ยไปหายาดอย่งไรเอีมายากระดูกที่ไปลีดอยู่ใสบัดไปอยู่ใสก็มีแต่กระดูกเจ้าของ ขั้นใส่ปัญญาพิจารณาเพิ่งแล้วมันไม่มีมองสีญาติในวันน้าไปหลู่เท่าลู่ท่านลู่มั่นลู่ตัวลู่เขาหลู่เล่านั่นไปหลู่ปลอยหลู่ว่างหลู่เหตุลู่ผลนั่นไปนี่แหะการพิจารณาใช่ธรรมะพิจารณาเพราะนั้นไม่มีแนวสี่ญาติก็บม่มีแนวสี่หานอีกวันหน้าไปหันกับว่าหันญาติกับว่ญาติยังไหนก็ได้นี่แหละไอ้พวกเข้าพิจารณาพวกเน้ยแมนบอกแล้วต่อไปรับพรอมมา